ธรรมะจริงไม่ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรถ้าเราจับหลักให้แม่นการภาวนาไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้แต่ต้องอดทนเก่งฉับช่วยปุ๊บปับบ๊ไม่ได้กินหรอกเราจับหลักให้แม่นเราต้องทนมากๆภาวนาซ้ําแล้วซ้ําอีกต้องนึกถึงเวลาที่พวกเราสะสมกิเลส สะสมความเห็นผิดเราสะสมข้ามภพข้ามชาติสะสมมาตลอดเวลาหลวงมหัตภาวนาก็จะเห็นวันๆ น, นะจิตมีสติไม่กี่ทีหรอกจิตหลงนะเยอะมากเลยหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งอุตรุดตลอดมันตลอดคืนเราคุ้นเคยที่จะสร้างอากุศลจิตคุ้นเคยที่จะปรุงอกุศลอยู่ตลอดเวลาไม่คุ้นเคยกับกุศลเท่าไหร่ หัดภาวนาหัดใหม่ๆนั้นนานสติจะเกิดสักแวบนึงรู้สึกขึ้นมาแล้วอยู่สั้นนิดเดียวนะเหมือนฟ้าแลบตอนแวบเดียวหายไปแล้ะเวลาอกุศลเกิดแล้วเกิดยาวเกิดนานเกิดแทบทั้งวันเลยแทบไม่เหลือพื้นที่ให้กุศลเกิดเวลาคิดก็คิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องดีๆไม่ค่อยคิดเท่าไหร่หรือคิดไปอดีตคิดไปอนาคตไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบัน จริงๆแล้วใจเราไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมจริงหรอกใจเราคุ้นเคยกับอาธรรมหลงหลงไปแล้วก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงดีก็ยังดีนะเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆไปในภพภูมิที่ดีแต่ก็ทุกข์ถ้าภาวนาเป็นเนี่ยรู้เลยเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกทีแหละไม่ว่าจะพบดีพบพิเศษแค่ไหนทุกคราวที่เกิดก็ทุก ความเกิดคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาหยิบชฉวยอายตนะขึ้นมาพวกเราเห็นความเกิดบ้างยางภาวนาเห็นไหมจิตเข้าไปหยิบจิตไปหยิบอารมณ์ขึ้นมาได้ตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่จิตเราไปหยิบฉวยขึ้นมานั้นก็คือตัวจิตเองถ้าเราภาวนาชำนาญพอนะตอนตื่นนอนเราคอยสังเกตนะทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัตินะ สิ่งแรกที่หยิบช่วยขึ้นมาหยิบช่วยเอาจิตขึ้นมาก่อนเอาจิตขึ้นมานี่สเต็ปที่หนึ่งพอหยิบช่วยจิตขึ้นมาได้แล้วต่อไปก็จะไปหยิบชวยเอาอารมณ์ขึ้นมาที่จิตที่รวมเข้ากับอารมณ์พวกเราเห็นไหมที่จิตแยกออกจากอารมณ์ใครเคยเห็นจิตรวมกับอารมณ์แล้วแยกออกจากอารมณ์บ้างมีไหม ย, ยก Vince. ใครเคยเห็นการหยิบช่วยจิตขึ้นมาบ้างไหมมีไหมมีเยอมือนกันนะเยอะกว่าที่หลวงพ่อคิดนะ ยากนะยากการที่เห็นจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมายากเคยเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ไหมจิตวางหลุดออกไปแยกออกไปใครเคยเห็นจิตวางจิตบ้างมีไหมมีไหมมีแต่มีน้อยละตอนนี้เนี่ยจิตวางจิตนะให้ดูยาก ส่วนใหญ่ก็จิตวางอารมณ์เราภาวนาจิตาอารมณ์ไปรวมกันนะจิตวางอารมณ์ก็แยกออกมาไม่ได้เจตนาแยกนะจิตวางจิตเนี่ยดูยากต้องฝึกกันนานวางแล้วก็หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะวางแล้วไม่วางเลยวางแล้วแป๊บๆเดี๋ยวหยิบขึ้นมาอีกลกลัวโงนะ่กลัวว่าไม่รู้พอไม่มีความรู้พอไม่หยิบฉวยเอาขึ้นมาอี การภาวนาจะให้ถ er ึงขั so ้นจ the ิตปล่อยวางจิตนี่ยากที่สุดเลยยากที่สุดสุดของการภาวนาก็อยู่ตรงที่จิตปล่อยวางจิตนั่นแหละจิตปล่อยวางอารมณ์ไม่ยากอะไรพวกเราฝึกกันไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนบางคนก็เห็นแล้วทีจิตเขาเข้าไปจับอารมณ์บางทีจิตเขาวางอารมณ์จิตเข้าไปจับอารมณ์หรือจิตวางอารมณ์สั่งได้ไ้มสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้จิตวางจิตเก็สั่งไม่ได้ จิตวางจิตแล้วจิตจะหยิบจิตขึ้นม่อีกก็สั่งไม่ได้นะห้ามไม่ได้อีกมีแต่ห้ามไม่ได้ทั้งหมดเลยภาวนาแทบตายทำอะไรไม่ได้สักอย่างมันเป็นกระบวนการที่จิตเรียนรู้ความจริงพอจิตเรียนรู้ความจริงแล้วมันค่อยวางของมันเองอย่างมันเรียนรู้ความจริงนะว่าอารมณ์ทั้งหลายนี่ถ้าจิตเข้าไปอยากจิตเข้าไปยึดจิตก็ทุกจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกมันก็ค่อยวางอารมณ์ไปแต่ถ้าความรู้ไม่พอนะเห็นว่าจิตเข้าไปอยากไปยึดแล้วทุก จิตไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ถ้าสติสมาธิปัญญายังไม่พอมันจะเกิดความจงใจที่จะแยกจงใจที่จะประคองดันอารมณ์ออกไปบ้างดึงจิตออกมาจากอารมณ์บ้างที่ดันอารมณ์ออกจากจิตบ้างดึงจิตออกจากอารมณ์บ้างทำได้ทั้งสองข้างเลยดันมันออกไปก็ได้ดึงอันนี้ขึ้นมาก็ได้ใครเคยทำบ้างดันดันดึงดึงยมกันข้างหลังมายังเป็นเนาะพวกข้างหน้านี้ทาไมมันเรียนเก่งนัก แต่ตรงที่จะจิตวางจิตเนี่ยยากยากที่สุดเลยต้องจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตถึงยจะปล่อยวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นทุกข์นั่นแหละไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมอะไรเป็นทุกข์ที่สุดในโลกบางคนมาอกหักเป็นทุกข์ที่สุดในโลกเป็นมะเร็งเป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่ใช่หรอกสิ่งที่ทุกข์ที่สุดในโลกคือจิตนั่นแหละแต่ตัวนี้เพราะเรายังไม่เห็นกัน แล้วภาวนาวันนึงเห็นนะใจกลางของความทุกข์แกน่นแกนแกนของความทุกข์เลยตัวจิตนั่นแหละแล้วพาวนาจึงเห็นถึงตัวนี้ก็วางวางจิตไม่เจตนาวางถ้าเจตนาวางก็ผิดนะจะหลงไปอรูปประพลมเลยงั้นนิพพานกับอรูปประพลมนะคล้ายกันมากเลยดูเผยนนะั่นถ้าไม่ดูเจาะลึกนะดูไม่ออกนะคล้ายกันคล้ายไม่จับอะไรสักอย่าง แต่นิพพานนั้นไม่จับอะไรเลยอารูปนั้นจับความไม่มีอะไรจับอยู่แต่ไม่ใช่ไม่จับนี่จะวางจิตได้ก็ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษแท้ๆถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษอยู่ๆก็ไปจงใจวางก็จะไปอารูปเข้าอารูปประรมงั้นเราก็เรียนไปตามลำดับนะเรียนให้เห็นทุกข์เห็นโทษทีแรกก็เรียนเห็นทุกข์เห็นโทษของขัน์ทั้งหลาย ใจค่อยคลายออกจากขันนะเด่นดวงขึ้นมาเป็นภูมมหัพระนาคาใจไม่ไหลแวทางตาหูจมูกลิ้นไกเด่นดวงแต่มาเห็นเห็นทุกเห็นโทษของตัวจิตปล่อยวางจิตปล่อยจิตตัวเดียวปล่อยขันทั้งหมดยึดจิตตัวเดียวยึดขันทั้งหมดมีจิตอันเดียวนะมีขันทั้งหมดเลยใครเคยเห็นเขาทอดแฉนะทอดแฉ เขาจับตรงกลางนึกออกไหมจับอยู่ที่เดียวนะเอาแหกไว้ได้ทั้งนั้นใครเคยเห็นเขาขายลูกโป่งสวรรค์ยังมีไหมลูกโป่งสวรรค์ยุคนี้ยังมีไหมมันไม่หมดจากมนุษย์สถกีนะของสวรรค์ส <c oughs> ังเกตไหมคนขายมันถือเชือกไว้ที่เดียวเนหะ็นไหมคุมลูกโป่งได้หมดเลยเราจับจิตไว้อันเดียวนะรวบขันไว้ทั้งหมดเลยมีจิตดวงเดียวนะั่นแหละมีขันได้ทั้งหมดเลย ขันทั้งหลายงอกออกไปจากจิตเป็นกิริยาอาการของจิตที่ปลุกออกไปเท่านั้นเองวางจิตก็วางขันยึดจิตก็ยึดขันยึดเอาไว้หมดเลยจิตเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้อย่างเหมือนเมล็ดมะม่วงในเมล็ดมะม่วงนล้วก็งอกเป็นต้นมะม่วงได้ทั้งต้นเลยมีกิ่งมีใบมีรากมีลูกออกมาอีกเยอะแยะเลยงั้นยึดจิตไปอันเดียวนะั้นก็ไปงอกขันขึ้นมาใหม่ ได้เต็มๆได้ทุกขันเลยงั้นถ้ายัางปล่อยวางจิตไม่ได้ไม่มีปัญญาเห็นแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เรียกว่ายัางล้างอาวิชชาไม่ได้ยังไม่เห็นความจริงว่าจิตเป็นตัวทุกข์เน้อตัวอวิชชาหัวโจกเลยมันก็เหมือนมีเมล็ดพันธุ์ของความเกิดอยู่ในจิตใจอยู่มีเชื้อพันธุ์ของความเกิดทาลายอาวิชชาคือความเห็นผิดเห็นว่าตัวจิตเนี่ย ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เห็นว่าเป็นของดีของวิเศษนี่เป็นเชื้อพันธุ์จิตที่ยึดถือจิตอย่างห่วงแหนจิตเนี่ยถ้าทําลายความเห็นผิดว่าจิตเป็นของดีของวิเศษได้เห็นได้ทุกข์ล้วนๆเลยนี่ปัญญาเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นเป็นทุกข์นั่นเองเห็นเป็นอะไรจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่โดลว่าเป็นมรรคนี่เห็นจิตแจ่มแจ้งเห็นทุกข์ ตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนี่นล้างความเห็นผิด น, นล้างอาวิชชาทำลายเชื้อพันธุ์ทำลายเชื้อเกิดในจิตออกไปเหลือจิตอยู่แต่ไม่มีเชื้อเกิดที่ซ่อนอยู่ในจิตคล้ายๆเป็นเมล็ดของต้นไมท้ที่ไม่งอกแล้วเชื้อพันธุ์ในเมล็ดตายไปแล้วงั้นเราทำลายแนละ้วเราทำลายลงไปถึงเชื้อเชื้อพันธุ์ของความเกิดถ้าเชื้อพันธุ์ของความเกิดคืออวิชชา ย, ยังอยู่เนี่ย ยึดจออะไรพยุดจิตเอาไว้ไนะม่ยึดจิตดวงเดียวม็นอีงอกขันห้าขึ้นมาได้ทั้งหมดเลยนะหนี่ไม่พนะ้นเวียนใบไตเกิดไปได้เหมือนมีเม็ดมะม่วงนอะาไปเพาะได้ต้นมะม่วงมามเมล็ดม่วงเก่าหายไปก็เกิดลูกมะม่วงใหม่ขึ้นมามีเม็ดใหม่ขึ้นมางอกขึ้นไปอีกก็นะวเวียนไปเรื่อยเไม่รู้จักจบต้องทำลายเชื้อพันธุ์มันในเมล็ดของจิตเมล็ดของผลไม้นั่นก็คือจิตนั่นเอง เชเ mine, it it Same, <me> ื uh ้อเกิดของมันคือตัววิชาวิชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกนั่นแหละถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่ก็ลาสโมทัยเมื่อนั้นลาสมมทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อริยมรก็เกิดเมื่อนั้นหัวโจรเลยก็รู้ทุกนั่นแหละถ้ารู้ทุกได้นั้นก็ลาสมมทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรในขณะนั้นไว้งั้นเรามาหารรู้ทุกนะทุกอยู่ในขันนะทีแรกเรียนทุกในขันก่อนเยอะเพิ่งเอาทุกในจิตนะยังไม่ถึงหรอก ยังไม่เห็นออกจิตเป็นทุกข์ยังเห็นไม่ได้หรอกเห็นแต่ขันเป็นทุกข์ค่อยเรียนค่อยเรียนไปได้พอเห็นขันเป็นทุกข์แล้วจิตก็ปล่อยขันไปเบื้องต้นยังเห็นกายก่อนเห็นรูปเห็นรูปเป็นทุกข์ตอนนี้ใครภาวนาเห็นรูปเป็นทุกข์บ้างมีไหมเห็นได้เป็นค่าวๆเนาะบางทีก็ยังสวยยังงามขึ้นไม่อยุดเนาะทีก็เออเป็นทุกข์นะบทีก็ยังสวยยังงามขึ้นมเรียกปลุกปลู้โปรโผลอยู่ ถ้าเห็นรูปเป็นทุกข์ได้ะละกามได้ตอนนี้ยังไม่เห็นรูปเป็นทุกข์ไม่ละกามยังรู้สึกสวยๆงามๆอยู่เราอยากเห็นรูปนะีเราก็รักตาอยากเห็นรูปสวยๆงามๆเราก็รักตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆเสียงดีๆเสียงคำชมเราก็รักหูไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปที่ดีไม่มีหูไม่ได้ยินเสียงที่ดีนี่เป็นหลงรัก ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละคือกามรูปเสียงกยลิ่นรสผลทพ้านั่นแหละคือกามนะาใจอย่าติดในกามอยู่หากามได้รับการตอบสนองแนละ้วพอพอใจเห็นรูปถูก อ, อกถูกใจนะก็เกิดกามมารักาขึ้นพอไปกระทบแล้วไม่ถูก อ, อกถูกใจนะเกิดปฏิฆะรำคาญไม่ชอบนจริงๆมันรักนะมันอยากได้ของดีนี่รักอยู่ ถ้าปัญญาเห็นแจ้งรูปนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นแจ้งพวกเรายังไม่เห็นว่ารูปเป็นทุกข์ล้วนๆเราเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอยู่ยังไม่ทุกข์ล้วนถ้าทุกข์ล้วนๆจะได้อนาคาแล้วยังไม่ถึงกันใครถึงแล้วเนี่ยกมือให้หลวงพ่อ <c oughs> ดูหน่อยจะได้อนุโหมดนะใครละกามได้บ้างเฮลากามได้บ้างก็พระพุทธเจ้าไง <c oughs> ใจของเรายัางยังหลงรัก ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในคิดว่ามันนำความสุขมาให้เรารักในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายคิดว่าเป็นช่องทางที่ความสุขจะเข้ามาสู่จิตใจตามองเห็นรูปอะไรมีความสุขตามีความสุขไหมไม่มีแต่ใจมีความสุขงั้นที่อาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจริงๆเป็นอาหารของใจทั้งหมดเลย เพราใจเป็นคนเสพอะตามมองเห็นรูปนะตาไม่ได้มีความสุขเลยตาเฉยๆแต่ใจมีความสุขตามองเห็นรูปนะตาเฉยๆแต่ใจมีความทุกข์เนี่ยงใจเป็นคนเสพอารมณ์ตาไม่มีหน้าที่เสพอารมณ์ถ้าดูไปดูไปน่าสงสารนะทางานแทบตายไม่ได้อะไรได้แต่อุเบกขาตาหูจมูกลิ้นเนี่ยนะมีแต่อุเบกขา แต่ที่แย่กว่าเขาเพื่อนคือกายนะกายมีทุกข์ด้วยมีทุกข์มีสกอยู่ที่กายด้วยในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นมีแค่อุเบกขาหูได้ยินเสียงหูยินดียินร้ายไหมเสียงดังมากแก้วหูแตกอันนี้หูยินดียินร้ายป่ะเจ็บไหมเจ็บหูไหมหูแตกเจ็บแต่หูนั้นไม่ใช่ในฐานะหูนะหูนั้นในฐานะกาย เนื้นกายเนี่ยมีมีเจ็บมีปวดได้ตามองเห็นรูปเป็นูเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ร้ายเอาไมา้แทงตาตาเจ็บไหมเอาไมา้แทงแทงตาเนี่ยเป็นภาษาทางตาหรเป็นภาษาทางกายเป็นภาษาทางกายกระทบกายตาทําหน้าที่รับคลื่นแสงเท่านั้นคลื่นแสงมากระทบถ้าคลื่นแรงมากๆตาบอด อันนั้นกระทบกายกระทบจากครูประสาทเนี่ยดูไปเรื่อยนะดูไปดูนะดไ ป, ไ, ปไม่เห็นมีอะไรตาหูจมูกลิ้นไม่เห็นมีอะไรว่างเปล่ามีหน้าที่สักว่ากระทบสักว่ากระทบนะใจนะหากเป็นคนเสพใจไม่ได้ไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาด้วยเลยนะแต่ชอบไปเสพอารมณม์ขี้โกงขี้โกงเขาแถมโกงบางทีเกเรด้วย ใครเคยดูกายทำงานแล้วรู้สึกเบื่อมัางเห็นไห ม, มรู้สึกร่างกายนี้มีแต่ภาระตื่นเช้าขึ้นมาต้องพามันไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำพามันไปขับถ่ายพามันไปกินข้าวพามันแต่งเนื้อแต่งตัวพามันไปทำงานใครเป็นคนบนใจบนใครเป็นคนทำงานกายทำงานซวยที่สุดเลยทำงานหนักแล้วถูกด่าย ใจเป็นเจ้าหนายที่ไม่ได้ทําอะไรวันวันเอาแต่ด่าๆๆบนอีกนะไม่พอใจกายกลายเป็นคนทํางาน <c oughs> กลายเป็นคนไปทํางานนะกายได้เงินมากายไปซื้อข้าวกินกายก็เชี่ยวขงกายเองนะกายก็ย่อยเองนะถ่ายเองนะทําเองทุกอย่างเลยอาบน้ําเองนะทําของมันทุกอย่างใจเข้าไปแทรกแซงให้เรามาดูนะดูดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยสนุกนะ มีอะไรให้เรียนรู้เยอะแยะเลยอยู่ในกายในใจเนี่ยของที่นึกไม่ถึงเนี่ยเยอะแยะดูไปดูไปก็เห็นแต่ความว่างเปล่าตาหูจมูกลิน้นกายกระทบอารมณ์ก็แค่นั้นเองใจนะลงไปยินดียินร้ายตาหูจมูกลิน้นกายกระทบสักว่ากระทบเท่านั้นถ้าใจมันไม่สักว่าสักที่ที่กายนั่งสาร ดูไปดูไปร่างกายนะมีความแปรปรวนเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยถ้าตัวกายนะถ้าตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันไม่ทุกข์ให้ดูบางคนเอาจิตไปกําหนดไว้ที่ตาไม่มีทุกข์เกิดขึ้นไม่มีกิเลสเกิดขึ้นตามองเห็นรูปกําหนดอยู่ที่การกระทบมบ้ับกําหนดอยู่ที่ประสาทตาบ้างกําหนดอยู่ที่รูปไม่มีทุกข์อะไรหอกมันเป็นอุเบกขาในขณะนั้นต้องบอกไม่มีกิเลสนี่ภาวนาผิดนะ เว า, าผิดนะนั้นตากระทบรูปกระทบแล้วถ้าอารมณ์มันไม่รุนแรงรูปที่เห็นไม่น่าสนใจกระทบแล้วจบลงที่การกระทบก็รู้ว่าจบไปแล้วไม่มีสาระถ้าตากระทบรูปแล้วมันมีสาระ ม, มีคุณค่าน่าสนใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใ จ, ใจทํางานใจปลุงขึ้นมานี่นเราไม่ห้ามการปลุงของใจเราก็เห็นเออตาเขาทํางานแล้วใจก็รับลูกต่ออะไรเงี้ย เขาทำงานของเขาเองเป็นทีมเลยนะตัวที่ชอบไปแทรกแซงเขาก็คือใจตาเขาก็ทำหน้าที่ของตาหูเขาก็ทำหน้าที่ของหูเขาไม่แทรกแซงคนอื่ น, ใ, นใจชอบจิตใจนี่ชอบไปแทรกแซงไปวุ่นวายกับเขาเคยได้ยินคาว่าอินรีไหมอินซีอินรีคือมันเป็นสภาวะที่มันเป็นใหญ่ในตัวของมันเองมันทำหน้าที่ของมันนะไม่ไปทำหน้าที่คนอื่นนะ อย่างตาทำหน้าที่เห็นรูปนะีตาเป็นอินทรีย์หูทําหน้าที่ฟังใครจะมาแย่งฟังแทนหูไม่ได้หูก็เลยเป็นอินทรีย์ใจทําหน้าที่รู้ใจก็เป็นอินทรีย์ใครก็มาทําหน้าที่รู้แทนใจไม่ได้เพราะใหญ่ของเขาดูไปดูไปเราเห็นแต่ธาตุแต่ขันนะแต่ล้านแต่ล้านก็มีหน้าที่ของตัวเองเขาทํางานไปตามหน้าที่ของเขาเรื่อยๆบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้ รุนไปอารมณ์ถ้ารุนแรงก็กระทบเข้ามาถึงใจถ้าไม่รุนแรงก็กระทบที่ตาแล้วจบที่ตากระทบที่หูแล้วจบที่หูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายแล้วก็จบลงที่จมูกที่ลิ้นที่กายถ้าแรงก็เข้ามาถึงใจอารมณ์บางอย่างไม่เริ่มที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายอารมณ์บางอย่างเริ่มที่ใจเลยอยู่ๆก็คิดขึ้นมาเคยมีไหมอยู่ๆก็นึกถึงหน้าของคนคนหนึ่งขึ้นมาลืมไปตั้งหลายปีแล้วอยู่ๆก็โผล่พลวดขึ้นมา เนี่ยเริ่มเริ่มการทำงานเริ่มที่ใจเลยก็ได้เริ่มที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็ได้จะเริ่มที่ใจเลยก็ได้เลือกได้ไหมให้เริ่มที่ไหนเลือกไม่ได้เนี่ยดูไปดูไปนะเห็นแต่สภาวะทำเขาทางานนะแล้วสภาวะทั้งหลายไม่มีแต่คาว่าเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันทำงานตามหน้าที่ของมันแต่ละคนแต่ละคนทำหน้าที่ของมันแต่ละขันแต่ละสภาวะไม่เห็นมีอะไรว่าง ดูไปดูไปก็เห็นการทํางานเหมือนทําอยู่ในความว่างเปล่านะแล้วก็สลายลงไปในความว่างเปล่าตามองเห็นรูปใช่ไหมแต่เดิมไม่เห็นอยู่ๆก็เห็นขึ้นมาเห็นแล้วก็หายไปมีไหมรูปอมตะไม่มีตาก็ไม่ได้เห็นรูปที่เป็นอมตะหูก็ได้ยินเสียงอยู่ๆก็ได้ยินขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะได้ยินก็ยังได้ยินได้ดูไปดูไปนะาธาตุขันแต่ละอันแต่ละอันนะ ไม่มีตัวมีตนอะไรทำงานขึ้นมาในความว้างเปล่าแล้วก็สลายตัวไปในความว้างเปล่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาค่อยรู้ค่อยเรียนไปเรื่อยซ้าแล้วซ้ําอีกนะต้องใช้เวลาไม่ใช่ดูทีสองทีล้างกิเลสได้ทุกครั้งที่ดูนะก็คือมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมามีกุศลขึ้นมาคราวหนึ่งต้องนึกดูเราเอากุศลเกิดทั้งวันในกุศลเกิดน้อยหลงผิดเยอะนะ สะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดข้ามพบความชาติไม่ท้วเลยมหาเจริญปัญญานินดๆหน่อยๆเห็นไม่กี่วันเลยอยากได้มากผลนิพพานก็เร็วเกินไปะใจร้อนไปไม่ไ ม, ไม่ไม่สมกันนะเวลาทําสกรปรกทํานานทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆ ห, ย ห, ยหยวังว่าจะสะอาดแล้วไม่เป็นหรอกทําบ้านสกรปรกอะทำบ้านสะอาดอะไหนง่ายกว่ากัน วันนึงอะทำโสกปลกกี่ครั้งทําสะอาดกี่ครั้งนึกออกไหมทำโสกปล ก, ปลกตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวก็ผมร่วงเดี๋ยวทําโน่นทํานี่โสกปลกตลอดเวลาเลยทําความสะอาดบ้านมาละครั้งสองครั้งนึกออกไหมระหว่างว่าบ้านจะเนี้ยบเลยไม่มีฝุ่นเลยเป็นไ ป, ไปได้ไหม <c oughs> ยากนะภาวนาก็เหมือนกันนะเราทําจิตโสกปลกทั้งวันเลยสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขา อ้นอนทก็มีนี่ก็มีนะมีเรามีเขามีของเรามีของเขาสะสมแต่ความรู้ผิดความเข้าใจผิดตลอดเวลาเลยคล้ายๆทําบ้านสบประโขกทาทั้งวันจเจริญสตินะวันหนึ่งจะมีสักกี่ทีคล้ายๆจะกวาดบ้านวันละกี่ครั้งไม่กี่ครั้งหรอกถามจริงๆใครไม่เคยกวาดบ้านเลยมีไมยกมือให้ดูทุกวันนี้เอาไม่ต้องเอาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ไม่เคยจับไม้กวาดมีใครไห หรือบอกไม่เคยจับเครื่องดูดฝุ่นบางคนบอกทํานะแต่ว่ามอบหมายให้ภรรยาทำบางคนก็มอบหมายให้สามีทําำถือว่าได้มอบหมายแล้วได้ทําถ้าไม่เคยทําไปลองทําดูนะหากทํางานบ้านจเจริญสติดีมากเลยทํางานด้านไปนะเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานอย่างพอเรากวาดบ้านมีหน้าที่กวาดบ้านทุกวันทุกวั น, วนมีหน้าที่เช็ดบ้าน แล้วในบ้านเรามีคนอื่นอยู่ด้วยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นนี่เอาเปรียบนะมันไม่เคยทําเลยนะมันทําสกปรกเรามีหน้าที่ต้องมาทําความสะอาดเี่ยใจมันได้สกได้เห็นความโสกปรกของใจขึ้นมาแนละ้วปัดบ้านไปก็ปัดใจไปด้วยรู้ทันใจไปด้วยพาบ้านสะอาดมีความสุขรู้ว่ามีความสุขบางคนชอบนะชอบบ้านสะอาดทําบ้านสะอาดเอี่ยมเลยแล้วไม่ทําอะไรนะแล้วก็นั่งดูสบายใจใครเคยเป็นมั้งมีไหม โรคนี้มีหลายคนโรคจิตหน่อยๆไม่รู้ <c oughs> ไม่ทดาทอะไรนะ่าทาซะเลี่ยมเลยนะฝุ่นลงมานิดนึงต้องเดินไปเก็บออกเช็ดเช็ดมีภาพเปียกไว้อันนั่งยิ้มไลงมาตรงนี้เอาหน่อยวันๆะเ น, น, น่ใจเรานะใครดูใจของเราทํางานบ้านไปนะก็ดูใจไปทำแล้วมีความสุขก็รู้ทําแล้วโมโหคนอื่นขึ้นมาก็รู้ ระหว่างทำก็เห็นร่างกายมันทําใจเป็นคนดูเนี่ยอย่าเนึกนะว่ากรรมฐานต้องอยู่ในวัดนะกรรมฐานอยู่ในบ้านก็ได้อย่าเนึกว่ากรรมฐานต้องเดินจงกรมอย่างเดียวกวาดบ้านก็ได้ตอนหลวงพ่อเป็นนกักศึกษานะไปบวชตอนบวชแล้วเนี่ยที่วัดในเะช้ามืดเนะี่ยไปนั่งกรรมฐานกันท้ายวัดมีแต่พระใหม่นะพระเก่าไม่นั่งอนะ่ะมแต่พระใหม่ แล้วก็ตอนค่าก็ไปนั่งกันอีกรอบเช้ารอบเย็นรอบกลางวันก็ไปภาวนาวเองนะใครภาวนาก็ภาวนาใครอยเรียนก็เรียนหลวพ่อเห็นมีพระพูทเท่าอยู่องค์นีอ่องค์นี้นะไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาเข้าไปภาวนาท่านก็ไปภาวนาท่านกวาดวัดกวาดไปเรื่อยนะ กวาดวัดได้เวลาพอสมควรไปบินทบาทฉันกลับมาฉันข้าวเสร็จนะพักนิดๆหน่อยๆนะออกไปกวาดวัดอีกแล้วกวาดหัววัดท้ายวัดกวาดไปกวาดมามีไม่กวาดอยู่สองอันไม่กวาดไม่ได้แบบวัดป่ายาวๆนะไม่กวาดธรรมดาเนี้แหละไม่กวาดดอกย่ากวาดเราก็โอ้ยตายหลวงตาหลวงพ่อ ทำไมท่านไม่ภาวนาภาวนาดีนะนในใจเรานึกอย่างนี้นะเราภาวนามาตั้งแต่เจ็ดขวบเรายังอยากภาวนาทาไมท่านไม่ภาวนาวะไปชวนท่านบอกหลวงพ่อไปนั่งภาวนาด้วยกันท้ายวัดดีกว่าเนี่ยโง่โง่โง่โงดไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องนึกว่าท่านไม่ภาวนาท่านก็ยิ้มหวาเลยนะไม่ด่าเราสักคำเลยนะท่านยิ้มหวาเลยคุณบวชไม่นานคุณไปภาวนาเถอะเดี๋ยวผมกวาดวัดเอง วัดวันวันหนึ่งนะพายุมันมาต้นสนมันผุอยู่มันเป็นโพรงอยู่กลางต้นนะพายุแรงๆมามนฟ้ฟาดลงมายอดยอดมนะันม่ถูกกุฏิที่หลวงพ่อพักถ้าถูกกุฏิไปโอ้มันก็ขวางทางเข้ากุฏิวันนั้นเราก็บอกหลวงตาวเนี่ย เดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้ไปภาวนาผมจะมาตัดต้นสนที่มันล้มเนี่ยมันขวางทางคุณไปภาวนาไปผมตัดเองคุณมีเวลาน้อยพูดอย่างนี้อีกนะวันนี้ท่านไม่กวาดนะท่านตัดต้นสนตัดจะเรากลับมานะท่านก็ตัดเป็นท่อนๆ น, นะมาช่วยกันแบกอย่างเงี้ยเราไปเก็บเรานึกว่าท่านไม่ภาวนาไปชวนท่านภาวนาตลกตลกนะ ตอนหลังมาพอนาเป็นนะถึงรู้โอ้ท่านภาวนานะท่านทํางานนะืกวาดวัดไปตัดต้นไม้ไปต้นไม้ล้มแล้วนะไม่ใช่ต้นไม้ต้นๆอยู่ไปตัดอาบัตเนะื้อท่านทํางานไปท่านเจริญสติไปมานึกย้อนหลังนะโอ้ยเจริญสติทั้งวันเลยนะเราภาวนาไม่เป็นเราก็นึกว่าท่านไม่เป็นงั้นการภาวนาจริงๆไม่ได้ว่าต้องอยู่ที่วัดนะ การภาวนาจริงไม่ใช่ว่าต้องทําแบบเคร่งเครียดนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมได้นก็ดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการทํางานที่ใช้ร่างกายทั้งหมดนั่นแหละใช้ภาวนาได้ดีไปซักผ้านะไปกวาดบ้านถูบ้านไปรดต้นไม้ไปอาบน้ําให้หมาใครเคยอาบน้ําให้หมาบ้างอมดีโมทนา อยากฆ่าเห็บไหมตอนอาบน้ําให้หมาเอออ่ากุสนเอาไปกินแล้วนะอยากให้หมามีความสุขมีไหมออันนี้เป็นกุศล น, นะะแล้วแต่จะวางใจเนี่ยอาบน้ําให้หมานะก็มีสติเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานถ้าเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตใจทํางานใจของเราเป็นแค่คนดูเราปฏิบัติอยู่แล้วลวนะ แต่การทําในรูปแบบได้เวลาก็ทำนะจะทําให้ไม่ขี้เกียจไม่ย่อหย่อนมีประโยชน์ตัวนี้มากเลยและเวลาที่เหลือในชีวิตประจำวันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกใจเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะวันหนึ่งก็ได้ของดีของวิเศษเงั้นวันวันกิเลสเราไปกินหมดเลยรอฝึกในรูปแบบอย่างเดียวไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันชีวิตคราวาสวันวันต้องทํางานเยอะแยะก็กิเลสมาก จเจริญสติน้อยสู้กันไม่ไหวงั้นพยายามจเจริญสติในชีวิตจะจำวันให้มากๆนะทำงานทั้งหลายที่ใช้ร่างกายทำนั่นแหละเจริญสติดีที่สุดเลยนะเชิญไปทานข้าว